เดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่สิบอ็ดถึงยีสองความพยายามหวานล้อมหนุ่มสาว ม, มีความสุขกันอย่างไรฉันกับแฟนก็ดําเนินไปตามคัลลองนั้นไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งและมีการแลกกันช่างหน้าอบอุ่นใจทุกอย่างดูดีไปหมดเห็นด้วยไปหมดหัวเราะประสานเป็นทํานองเดียวกันไปหมดคบแฟนได้ห้าวัน